แต่คำเพวกเราชาวพุทธเราก็มาทําบุญเป็นประจำเพื่อเก็บพร้อมลอมบิบุญกุศลหรือเก็บพร้อมลอมลึกความดีไวให้ตัวเองพระเจ้าสอนให้เราสั่งสมบุญแต่จะไปสั่งสมบาปสั่งสมบุญกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา แล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจของเราแต่และคนถ้าไม่เก็บไม่รวมไม่รักษามันก็กระจัดกระจายไอ้บุญกุศลที่เรากระทำเหมือนกับดอกไม้ดอกมะลิต่างๆที่เขานำมาใส่กระด้งอะไรต่างๆแต่ไม่ได้รอย ถ้าดอกไม้นั้นเข้าร้อยเป็นพวงแล้วก็มีเรียบร้อยสวยงามแต่ถ้าไม่ร้อยอะไรกระทบกระเทือนหรือว่ามีลมพัดมันก็กระจัดกระจายไปในบุญกุศลของเราก็เหมือนกันที่เราทำไวหรือการให้ทานรักษาสิ้นเจริญภาวนาแล้วเราไม่เก็บคือไม่รักรวมแล้วก็คือไม่รักษาใจตัวเองการเข้าถึงพุทธศาสนาอันดับแรก ท่านให้ปฏิญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์อันดับแรกนะที่เรารับศีลนะท่านให้สรณะก่อนท่านก็ว่าพุทธทางสรณังกัจฉามิลกวาตาพุทธทางสรานังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ เ, ทเจ้าว่าเป็นที่พย์ธรรมมาสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะทพิพย สังขังสลาังคชามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสลาณาทิพยพึงอันีนครั้งที่หนึ่งชุดที่หนึ่งสามครั้งพระพุทธประธรรมพระสงฆ์และชุดที่สองว่าดุติยำปิดทุตังสลาังคชามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธว่าเป็นที่พึ่งครั้งที่สองทำมังสราังดุติยำปิดทำมังสราังคชามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งครั้งที่สอง ต่อจากนั้นก็ตัดีเป็นครั้งที่สามไปแล้ววาสามครั้งเพื่อให้มันมัน่นต้องการให้ใจของเรา เ, ราเข้าถึงครั้งแรกก็เป็นเพลงคาปฏิญญาเป็นการบริกรรมอย่างท่านสอนให้เราภาวนาพุโทโธพุโทโธก็ต้องการให้ใจของเราเข้าถึงพุโทโธไม่ใช่เข้าถึงที่อื่น คือเข้าถึงตัวเองเลยว่าเข้าถึงธาตุรูของเราที่มันมีแต่ละคนพระพุทธเจ้าก่อนที่พระ อ, องค์จะเป็นพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็กําหนดภาวนาด้วยการกําหนดลมห า, ายใจของแล้วพระ อ, องค์ก็เข้าถึงพุทโธเรียกว่าสัมมาสัมพุทโธเข้าถึงพระพุธ ด้วยตัวเองไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนสอนไม่มีใครแนะพระองค์เข้าถึงตัวพุทโธด้วยพระองค์เองนายถึงเข้าถึงธาตุรู้สภาวะที่โลกของพระองค์ด้วยพระองค์เองนั่นเองเอาง่ายๆก็หมายถึงว่าพระองค์เข้าถึงใจของพระองค์ด้วยพระองค์เองแต่ละคนละคนมีใจแต่ว่าไม่รู้จักใจไปรู้จากข้างนอกนั้นว่านึกว่าเป็นเป็นใจ เนี่ยคนไม่รู้จกพูดโถมองไปหาแต่ข้างนอกสองเอาไปข้างนอกใจมันสองไปข้างนอกไปรู้ข้างนอกอย่างนั้นสองไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกรมันก็ไปจับใจนะมันไปจับข้างนอกแต่ไม่ใช่ใจมันออกไปเป็นปิริยาของมันที่สองออกไปท่านเรียก ว, วิญญาณเ ร, าเรียกว่าจิตะเรกว่าจิตบ้างเรควิญญาณบ้างอะไรต่าง คือมันมีปกติที่จะส่องแสงออกไปทางนั้นวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งออกไปรู้จับไปทางตาหูจมูกปีนมันก็เลยไปจับอยู่อย่างนั้นปกติคนทั่ไปก็ไปจับอย่างนั้นส่องไปข้างนอกอย่างนั้นไม่คืนมาหาพุทธโธสักทีหนึ่งคือไม่มาเข้ามาหาต้นเหตุตัวอีสักทีหนึ่งมีแต่ไปรู้ข้างนอกแต่ไม่มารู้ข้างในใจแน่รู้แต่ว่าไม่รู้ใจ ต้องใจรู้ด้วยแล้วก็รู้ใจด้วยในนี้พวกผู้ไม่ภาวนายังไม่เข้าถึงพุทธนะก็มีแต่ใจรู้ใจรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยตลอดไปก็เลยไปจับอยู่ตรงนั้นอันนั้นมันถ้าไปจับอยู่นั้นเกาะอยู่ในพุทธิยานมันไม่เที่ยงของที่ใจจับอยู่นั้นนะมันไม่เที่ยงมันหมุนเปลี่ยนไปเป็นชาเป็นชาลาพยาที่มาณะนไปตามสภาพ สิ่งที่จายจับ่างนั้นสิ่งใดที่มีชะลาพยาที่มรณะติดอยู่เนมันแก่เจ็บตายมันมีทุกข์มีทุกข์ยากลาบากทำไมจึงทุกข์ยากลาบากอย่างนั้นที่มันทุกข์ยากลาบากอย่างนั้นก็เพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนอย่างตัวเราทุกคนเนี่ยะเกินมนาตะคอนก็เป็นเด็กน่นก็พัด แก่เท่าชะลามาตัวแล้วโดยลำดับจนเป็นผู้ใหญ่ผู้โตเป็นคนเข้าเป็นตาเป็นยายเขาหมดเลยล่ะนี่แสดงว่ามันเปลี่ยนไปอย่างนั้นนะเมื่อสิ่งใดมันเปลี่ยนมาก็ต้องเป็นทุกข์ถิ่นเป็นทุกข์เพราะร่างกายสังขารมันแก่เท่าชะลาไปเป็นทุกข์เพราะหาจิ๋นหาเลี้ยงอัตภาพหาเงินหาทองหาทรัพย์สินมาเพื่อจะใช้ใจ่าย บรรเทาทุกเป็นเครื่องบรรเทาทุกขปัจจัยไม่ใช่แก้ทุกขบรรเทาทุกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราให้ตัวเราแต่ละคนนะนะเข้าถึงพุทโธกันพระองค์นะเข้าถึงแล้วรู้จักตัวเองแล้วตัวเองจะไม่เวียนว่ายตายเกิดไปอาศัยของที่มันแก่เจ็บตายแล้วแล้วก็มาสอนพวกเราให้รู้จักพุทโธ อันดับแรกให้ปฏิ ญ, ญาณต้องถึงถึงว่าอภพษฐ ธ, ธรรมประสงค์นะั้นเป็นสารเป็นที่พึ่งเมื่อถึงพุทธะและ้วมันก็ถึงธรรมะและถึงสังฆพร้อมกันไปถ้าเรายังจะไปเกาะไปถือไปขี่ของข้างนราอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องพาเราเวียนว่ายก็ถ้องพอพาเราหาะเอื้นเดินไปตามสภาพของมันเอง กัสิ่งที่อาศัยนะั้นมันไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นเหตุให้เราไปอาศัยนะั่นมันลำบากเปรียบเหมือนกับว่าเราขี่เรือไปในมหาสมุทรแล้วเรือนะ่ะมันแตกเราวก็จะไปอาศัยมันได้ไงเรือมันแตกแล้วใจของเราก็เหมือนกันต้องเข้าถึงพุทธะอย่างพระพุทเจ้าพวกเราเข้าถึงพุทธะเรียกว่าทานน้อยเรียกภาษาบาลีว่าอนุพุทธะ เข้าถึงพุท ธ, ธาตามหลังพระพุทธเจ้าเอาเรียกว่าพุทธะน้อยกันแล้วกันพระพุทธเจ้านะั้นเป็นพระพุท ธ, ธใหญ่ท่านเข้าถึงด้วยพระองค์เองให้พวกเราก็เข้าถึงตัวเราเนี่เอาบุญเอากุศลก็เอาตัวเองนั่นแหละที่เราสร้างให้ทานรักษาศีลจรเป็นรารมีมันมันเป็นพาห น, นะสําหรับอาศัยเหมือนกับเราเอาสร้างเรือกันสําหรับที่จะข้ามนาม้ำ สร้างเรือใหญ่ๆไม่แค่น้ำมันก็จะถูกคลื่นลมขึ้นชัดเอาลบจมไปก็ไปไม่ถึงสร้างสะเบียงพุติยาสอนว่าจงพักกันอาศัยในราคาโทสะโมหะนั่นเถอะสร้างเบียงก็จะเป็นทางให้เราถึงแต่นี้ในรวมความแล้วว่า ใหพวกเราหนะนำนาความดีทั้งหลายที่เราสร้างมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้เก็บไว้พิจัยเขาเราคือรักษาใจเขาเราเรื่อยไปบอกว่าบุญอยู่ตรงนี้บุญลอยู่ตรงนี้เขาพุทธพาทำก็อยู่ตรงนี้ก็คือเราดูเรามีสติสัมปชัญญะเครื่องเป็นเครื่องอยู่ท่านให้ประกอบทำสามอย่างทั้งขณะเวลาทั่วไปและขณะที่เราทําเฉพาะสามทำสามอย่างคือ อาตาปีสัมปชานโนและสติมาันภาษาบาลีภาษาของเราก็คือสัมปัชัญญะคือรู้ตัวรู้จุดรู้ใจของเราตลอดนึกถึงฐานที่ตั้งของเราบ่อยๆแต่เวลาเรานั่งภาวนาแล้วต้องประคองใจองเราสู่ฐานที่ตั้งที่มั่นนั้นให้รู้อยู่ตรงนั้นเรียกว่าสัมปัชัญยะคือรู้ตัวรู้จุดรู้ตรงนั้น แล้วก็ใช้สตินับเป็นผู้ค้นคว้าหาข้อมูลดึงมาใส่ความรู้สึกนั้นมาไว้ในจุดนั้นประคองรักษาไวท้ทีนีน้นั่นเรียกว่าสติคือตัวระลึกนึกถึงสิ่งต่างๆแล้วเอามารวมไว้ที่จุดตั้งจุดตู้นั้นทีนี้อาปตาปีไปว่าความเพียรแห่งพิจารณา สิ่งใดที่เกิดขึ้นมีขึ้นเราประคองเข้าหาจุดูเขาเราแล้วก็เพียนท่าแห่งพิจารณาว่าอะไรวะมันอยู่มีอ ใ, ในจุดนี้ที่นี้โดยเฉพาะท่านก็สอนให้เราพิจารณาขันห้านั่นแหละขันสี่ข้างไหนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้รู้ต่างความปีนเราก็วางไว้ตามสภาพประมนันเอาใช้ครับเราใช้ขันห้าดิเอาใจใช้ขันห้า ทำหน้าที่ของตัวเองไปตามหน้าที่ในขณะที่ใจของเรายังไม่เข้าถึงพุโทโธนะนะขันหนะ้าน่ะมันใช้เราให้เราลำบากลำบนใช้เราให้ให้สแสวงหาทรัพย์โภคาใช้เราให้ตักตินเงินทองมาอะไรต่างๆเทียกว่าขันหนะ้าน่ะมันใช้เราถ้าเราไม่ทําการงานมันจะมีอะไรมาอยู่มากินล่ะ เรามาหาเงินาหาทองจเจ้าอะไรมาใช้ล่ะนั่นคือขันห้ามันใช้พวกเราแต่ทีนี้การกินการบริโภคล่ะกินเข้าไปทางปากมันก็ไหลออกไปหมดตอนที่ไหลออกนี่ลํลาบากอีกแล้วทีต้องหาที่เก็บหาที่ไว้ต้องเก็บไว้ที่ปลอดภัยมีชั้นมีฉนั้นก็หน้าขยะขแข็งละเกียดบาง ท, ทีต้องสร้างที่เก็บคือห้องน้ําห้องซ่วม เอาสะอย่างใหญ่โตเอาสะอย่างดีก็รวมแล้วก็คือเป็นที่เก็บเหมือนกันนั่นแหละเก็บของโสโครกปฏิกูุแต่พวกเราก็เลยไปสำคัญมั่นหมายว่ามันดีมันวิเศษที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพวกเรานะ่ะมีแต่ให้ใจไปรู้รู้สิ่งนั้นนั้นก็เลยถือเอาสิ่งนั้นว่าเป็นแขนสารไปไม่มารู้ใจกัน นะหลักการภาวานาก็ะจุงภารกิอ่ะเราจะให้ใจรู้ในขณะที่เราค่าอความพินาศเรียกเอาใจไปรู้พินาศสิ่งต่างๆที่มันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเอาไปพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็คืนมารู้ใจแต่วางมันไปหมดทีนี้มันรู้แล้วเรารู้จักแล้วเราก็รู้เราเลยทีนี้รู้เราท่านว่าให้มีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องอยู่ แล้วก็รู้ใจเลื่อยไปแะอยู่ที่ไหนมามาที่แล้วก็รู้ใจวิธีรู้ใจก็ย้อนเข้ามาสู่ที่ตั้งของใจบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงนี้ที่เราจะพ้นทุกข์ยากลาบากก็คือตรงนี้เรานะจะพ้นทุกข์เราจะเอาเราให้มันพ้นจากทุกพ้นจากการมาอาศัยของที่มันไม่เที่ยงเราต้องรู้ตามความเป็นจริงของมันความเป็นจริงของมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นทุกข การอาศัยถึงนั้นมันเป็นทุกข์ยากลําบากเราต้องแก้ไขทุกข์อยู่ตลอดถ้าเราพารณาให้ทีแล้วมันหน้าเบื่อตายจะตายไปถ้ามองเห็นว่าอาการที่เรามาอยู่อาศัยขันห้าคือรูปอันนี้ก็คืออยู่กองไฟอยู่ในร่างผีอย่างที่เราเห็นคนอื่นเขาตายเราไปดูเราก็ยังขยะขยงว่ามันเป็นผีนะั่นแหละร่างแต่ มันก็ร่างกายอันเดียวกับของพวกเรานั่นแหละขณะที่เราอยู่นี้เรายังไม่ขยะขะแขยงเราไปขยะขะแขยงขวกคนอื่นที่เรามองเห็นแต่ความจริงตัวของเราเนี่มันก็เป็นตัวศพอันนั้นแหละแต่ขณะที่วิญญาณของเรามันบครองท่านยิ้สอนท่านพี่นายก็คือเราอยู่ในในร่างผีอยู่แต่ว่าดีละเราอาศัยมันอาศัย ร่างผีอันนี้ได้เจจะสร้างสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นสาระธรรมที่จะนำใจของพวกเราหนะให้หลุดพ้นจากกองทุกทางหมวะวันนี้ก็ให้ทรมาเพียงแค่นี้ก็เวลาจะเทศมันไม่มีวันนี้จะจะเม็ต้องไปกินฉลากสังกระแผนต่อ น, นี้ไปตั้งใจนะพร